เราส่วนเมื่อกี้นี้ในตอนท้ายไปพูดถึงพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากอันนี้มีความหมายได้สองอย่างก็คือว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่คนยากจะเข้าถึงรอจะอีกความหมายนึงก็คือว่า รนิพพานเป็นสิ่งที่คนไม่เคยชอบไม่เคยยินดีเท่าไหร่คนไม่เคยชอบไม่เคยยินดีในนิพพานก็เพราะเขาคิดว่ามันมีความสุขอย่างอื่นที่ที่ดีกว่าหรือว่าที่มันถึงใจกว่า ล้วก็เลยไม่คิดว่าพนิพพานนันจะดีที่ตรงไหนสิ่งที่คนนี้ก็คิดว่าดีกว่านั่นก็อาจจะได้แก่การมาสุขคือสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายดังนั้นก็ถือว่าเป็นความสุข ก็ก็มัวแต่เสดมัวแต่แสวงหาน่าจะเคยได้ยินว่าเออมีมีสุขที่เรียกวันิพานนะแต่ว่าก็ไม่สนสนใจใจไม่น้อมตามเพราะรู้สึกว่ามันจืดชืดไม่มีรสชาติอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ยินดีได้โดยยาก บางคนก็อาจาจะมีความสุขกับการที่ได้ได้ทำบางสิ่งเช่นได้วาดภาพได้แต่งบทตรรัววีแล้วก็สุขเป็นความสุขแล้วก็มีตัวีบางคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ขออนิพานแต่จะขอเป็นกัวี นิพนแต่งบทกวีกันไปทุกชาติเลยเป็นความสุขเป็นความใฝ่ฝันเป็นความปรารถนาเป็นสุขที่สุด ข, ของเขาเป็นพบที่เขายินดีเป็นอย่างยิ่งอาจจะลงมไปถึงนักแต่งเพลงชั้นครูหรือว่านักวาด ภาพชั้นเอกวันนี้พอพูดถึงนิพพานของทีว่ว่าโอ้ก็ดีหรอกแต่ว่าฉันขอมาขอเกิดทุกชาติเป็นจิตรกรเป็นนักแต่งเพลงไปทุกชาติดีกว่าทังนี้เราก็า จ, จะเคยได้ยินเหมือนกัน รือบางคนก็ก็รู้กันดีแต่ว่าใจยังไม่น้อมรู้ว่าดีเป็นเป็นสิ่งปรารถนาเป็นยอดปรารถนาแต่ว่าใจยังไม่น้อมเหมือนกับว่ามีการต่อสู้กันข้างในฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายฝ่ายดีก็อยากจะ เข้าถึงนิพพานเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นอรรมตะ t a ฐานอีกฝ่ายนี้ก็ยังอยากจะยังอาไรยังหวงยังยังติดอยู่ในโลกยังหหยหาความสุขแบบโลกอยู่จะเรียกว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างสมองกับหัวใจก็ได้ คือสมอมก็รู้ว่าดีนะพิจารณาแล้เห็นไ ด, ได้ผลแล้วก็รู้ว่าดีก็เห็นอยู่ว่าคนที่เข้าถึงแล้วก็มีความสุขได้รู้ได้อ่านมากๆก็รู้ว่าเนี่ยมันพิภากันเป็นเป็นเลิศแต่ว่าใจมันยังเกอกเกี่ยวยังยังติดในรสชาติอยู่ ใจยังไม่ไปใจยังไม่น้อมตามอันนี้ก็ก็เป็นกันไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาก็เป็นกันในศาสนาอื่นด้วยอย่างมีนัก บ, บุญคนหนึ่งชื่อนัก บ, บุญออรกาสตินตอนเป็นตอนยังไม่ตอนเป็นคนธรรมดาคือเป็นคารวาสก็ เป็นคนเก่งคนฉลาดแต่ว่าก็เพลินในชีวิตทั้งโลกอาสุรานารีแล้วก็อาการมาสุขต่อหลังก็ได้มาศึกษาแล้วก็มาศรัทธานในศาสนาคริสต์ก็ถือออกพระเจ้านี่เป็น สิ่งสูงสุดเดี๋ยวจะประพฤติพรมจรรย์เพื่อถวายชีวิตให้กับพระพเจ้าแต่ก็ยังอาลัยในชีวิตทางโลกในความสนุกสนานก็พยายามต่อสู้กับตัวเองแต่แว่าก็ล้มลุก ค, กคลานจากนา น, นคริสต์เก็มีการ การเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานในความหมายที่ว่าขอหรือภาวนาจากพระเจ้าแต่ก็ภาวนาว่าขอให้ได้ได้มีชีวิตอมตะจันแต่ว่ายังก่อนตอนนี้ตอนนี้อยากพึ่งประโยค์ ส, สั้นๆนี้ก็มีชื่อมาเพราะว่ามันแสดงความขัดแย้งในตัวเองใจนี้ก็อยากให้แก็ได้ชีวิตอมตะจัน แต่ว่าอาจารย์นี่ก็บอกว่าดย๋ยเพึ่งนะตอนนี้ขอสนุกก่อนยังอะไรยและนี่มันมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะขนาดพระโพธิสัตว์พระเจ้าเคยตอดยัด้วยสมัยยังเป็นโพธิธสัตว์แสวงหาบำเพ็ญเพียรท่านก็ตัดว่า ได้เห็นคุณค่าของเนคขมมสสุว่าเนคขมมสสุนั้นประเสริฐแต่ท่านก็ตัดว่าตอนนั้นใจยังไม่น้อมตามยังไม่น้อมตา ม, ย, มยังไม่ยังไม่ยังไม่ใส่หาจนกระทั่งเมื่อได้เห็น ไม่ได้ไม่ได้เห็นถึงความทุกข์ของกามแล้วก็ได้สัมผัสกับเนคคั ม, มาสุขนั่นแหละใจจึงจะน้อมตามาามายคนพอได้เห็นเห็นความทุกข์จริงๆแล้วโหว่ามันชีพมันทุกข์นะชีิตทางโลกมันทุกข์นะเห็นนี่ในที่นี้หมายถึงว่ได้เจอเองไม่ใช่ไม่ใช่เห็นคนอื่นแต่เห็น ดีใจพอได้เจอเองก็เกิดอาการเฉิดลาบขึ้นมาแล้วก็พอใจได้สัมผัสในคำ ม, มัสุขไม่ใช่คิดเอาเองแลว่าได้สัมผัสใจก็น้อมเลยนะใจก็ปร่งไปในทางนั้นในคำ ม, มัสุขนี้ก็เป็นแง่คิดว่าขณะผู้ต้องค์นี่สลายในพระโพธิสัตว์บัณฑิเปลี่ยนมากก็รู้นะว่าในคำ ม, มัสุขดี แต่รู้นี่มันเรียกว่ายังเป็นการรู้อย่างแบบด้วยเห้ได้ผลอยู่แต่ใจก็ยังมีอะไรในการมาสุขจนกรทั่งได้ได้เจอเป็นที่เข้าไปเกิดอาการสึกเข็ดลากแต่ถ้าเข็ดลาบแล้วมันถ้าเจอทุกแล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจออีกอย่างนึ่งคือในครรมสุขใจก็ไม่นอนนะ คนจำนวนมากเนี่ยเจอทุกเห็นทุกแต่ว่าเนื่องจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเนี่ยมสุขก็เลยไปลงเอยทางอื่นบางคนก็ค่าตัวตายเพราะว่ามันทุกไม่มีทางไปหรือบางคนก็าล้ำเข้าไปหนักกว่าเดิมคิดว่าจะใช้ คิดว่าไอ้ที่ทุกข์นี่ก็ยังยังมีไม่พอยังเสร็จไม่พอก็ก็เลยเสร็จให้ให้มากขึ้นเมื่อคนที่ติดยาติดยานี่ตอนเสร็จเสรไปนึงก็มันก็ทุกข์นะ พอทุกข์เรเลยต้องเสพหนักขึ้นเพื่อได้หายทุกข์เมาพอสางเมามันก็ค้างพอค้างเสร็จก็แก้ค้างหรือการกินเข้าไปเติมเข้าไปอีกมันจะได้หายค้าง น, นี่คือวิธีของชาวโลกวิธีแก้ทุกข์ของชาวโลกเป็นอย่างนี้จะ่ถ้เกิดเข้าได้สัมผัส ก, กันไในคำมัสุข ก็ทำให้เห็นว่านี่คงเป็นทางอย่งพระเถรองนี่ถ้าเราคงจําได้นะเราอย่างที่สูงบรเพ็นทุกข์กิริยามาหกปีแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางก็คงจะทุกข์กันนะเพราะอุตสาห ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลักษมณ์บัติทิ้งพอ่อทิ้งแม่มาอุดทุ่มเทยชีวิต6ปีฉันเรียกว่ายอมยอมตายเพื่อโมกขธรรมแต่ว่าก็พบในส่วนไม่ใช่ทางก็รู้ว่าอัตตา ก, กรรมธรรมนิโยมนี้เป็นทุกข์ แล้วก็รูว่วการสัการลกการนิยกก็ทุกไม่แต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อแต่ก็มีช่วงท่านนึกได้ตอนที่เป็นเด็กสเสด็จไปกับพระบิดาตอนพิธีแรกนาควัญก็ได้มีโอวการมาพักอยู่ใต้ลมไม้ แล้วก็ได้ทำอนาปานาสติได้ตามลมหายใจจิตเกิดความสงบเป็นอย่างยิ่งคงจะได้ฌานหรือว่าน้องๆฌานวนคิดไปถึงตอนนั้นก็เลยใจก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นทางได้ ก็เลยถันมานะบัเป็นทางสายกลางอย่างที่เรารู้กันจบกระทั่งบรรลุสัมมาสัมปธิญาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่านี้พอเมื่อได้สัมผัสกันในคำมาสุขคือสุขจากสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจน้อมได้อเอาละทางนี้แหละ คนเวลาสลงทางแล้วเนี่ยบางทีประสบการณ์เด็กประสบการณ์ดีๆในวัยเด็กมันก็ช่วยได้นะทำให้นึกทาให้ตระหนักได้ว่าตรงนี้หล น, น่าจะเป็นทางหลังจากที่มันตันมันมืดอย่างเสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แสวงหา ม, มากจนแก่เสร็จ แ, แล้วก็พูดว่านในช่วงชีวิตที่มัน มันเจอวิกเข้าป่าก็พบว่าการเข้าป่าไม่ใช่ทางออกกลับเข้ามาสู่เมืองก็เป็นนักวิชาการก็รู้สว่ามันยัไม่ใช่อย่างที่สุดชีวิตกเราหกละเอินไปกับเรื่องอัตราตรวจตน เรียกร้องให้ใครต่อใครอยากจะให้เป็นเหมือนตัวหรือว่าเคารพตัวแต่ก็ทุกมันมีอัตตาไม่พ้นมีปัญหาครอบครัวมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็นึกไปถึงตอนเด็กตอนเด็กเป็นเด็กวัดได้นอนอยู่ในวิหารได้นั่งสงบ อยู่หน้าพระพุทธรูกนึกถึงชื่อวัยเด็กได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับพระกับศาสนารูอสัวช่วงให้เป็นความสุขบางคนก็ท้อหวนไม่คิดว่าเนี่ยโอเรื่องของชื่อคนรอมก็ไม่มีอะไรมากถ้าได้สัมผัสความสงบเย็นทางใจ มันก็พอแล้วเขาก็เลยหันเข็นชีวิตมาทางนี้มากขึ้นมาทางธรรมะเพราะรู้เคยได้สัมผัสว่าเคยสงบเย็นไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนอย่างทุกวันนี้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักทังประเทศแต่ไม่มีความสุขเพราะว่ามันยัง ติดวกอยู่ในเรื่องตตัวตนพอนึกถึงวัยเด็กที่มีความสงบเย็นก็ได้คิดว่านี่แหละอาจจะเป็นทางในประสบการณ์ของประสบการณ์วัยเด็กมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันมีพลังหรือว่าปประสบการณ์ดีๆนก็ทำให้ในอย่างที่เจอวิกฤต ก, ก็ เกิดได้คิดเห็นทางออกขึ้นมายัาคนรอนี่เวลาเจอทุกข์มากมานี่ไม่ใช่มันจะมีทางออกนะเจอทุกข์มากๆก็ต้องเห็นเห็นอีกทางหรือได้ว่ามันมีหรือได้สัมผัสได้รับรู้ว่าอีกทางหนึ่งมันมีทางที่ดีกว่าถ้าเจอทุกข์ล้วนและไม่เจอทางออกเลย หรือไม่เจออะไรที่ดีๆเลยก็ไม่เห็นทางออกเหมือนกันนะอย่างพวกฝรั่งเนี่ยที่เขาคนนี้เขาเจอทุกมากได้ทุกอย่างมีความสุขทางการมีความสุขได้รับความสำเร็จในชีวิตในงานการครอบครัวมีสติภาพ มีกินมีใช้แต่ก็ไม่มีความสุขเครียดไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นทางออกได้ไม่ไม่มีโอกาสที่ได้เห็นสมณนะที่สงบสำรวมอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถ์ได้เห็นตอนออกมานอกเมืองเพราะว่า มันไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นในเมืองนอกในยุโรปในอเมริกาแต่ถ้าใครสักใครสักคนได้เห็นมันก็ส ก, กิดใจขึ้นมาได้อย่างโมคคลาสาริบุตรนะตอนเป็นรารวาตรก็เห็นพระอัศชิท่านเดินสงบสำรวมเปร่ง ประกอบกังความสุขก็ได้คิดขึ้นมาเกิดสว่างว่าขึ้นมาในใจยิ่งได้ฟังธรรมะสั้นๆซึ่งอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันสำหรับคนที่หมกมุ่นกับปัชญาลึกซึ้งบางทีเจออะไรง่ายๆนี่ก็กปิ๊งเหมือนกันนะ ทำใดเกิดแต่เหตุพระธรรมโคดจัถึงเหตุและการดับแห่งธรรมนั้นแค่นี้แหละทำใดเกิดแต่เหตุพระธรรมโคดจัดถึงเหตุและการดับแห่งธรรมนั้นแค่นี้แหละก็บรรลุโสดาบันแต่ จ, จะบรรลุได้ก็ต้องใจสงบก่อนเกิดศรัทธา จิตเป็นกุศลพอได้ฟังธรรมะสั้นๆที่มันเป็นแกนธรรมจิตก็สว่างโพรงขึ้นมาทั้งสองคนนี้ก็ตอนเป็นคารวาสนี้ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของทฤษฎีทิฏฐิหรือว่าปราัชญาที่ลึกซึ้งมากแต่มันลึกซึ้งไปลึกซึ้งแบบ เฟอนะพอมาเจออะไรที่ง่ายๆเขาซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆธรรมะจริงๆมันง่ายนะธรรมะที่ธรรมะที่ที่ดีเนี่ยจะง่ายหรือไม่แต่ทางโลกเนี่ยสูตรที่เขาว่าสูตรที่มันลึกซึ้งมากี่เป็นสูตรที่ง่ายอย่ทฤษฎีของไอสไตล์เนี่ย เรื่องพลังงานกับสสารก็มีแค่สูตร ง, งา่ายๆ E เท่ากับ mc กลังสองสวยมากเพราะมันง่ายใครๆก็จำได้ใครๆก็ท่องได้ E เท่ากับ mc กลังสองเป็นเปนน็นเรียวกว่าอะไรเป็นสมการที่สวยงามที่สุดในโลกแต่ว่าลึกซึ้งมากทำม้างจริงมันง่ายนะ อย่างพระสัจจจัตต์สั้นๆแค่ น, นี้แหละไอ้คนที่คิดซับซ้อนนี่ไม่ว่าเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเั่นเราก็ศึกษาเรื่องราวท่านเหล่านี้นะก็เพื่อเอามาใช้กับตัวเองได้เกิดกำลังใจ แต่ถึงแม้จะไม่ได้ฟังได้ศึกษา ม, มากแท่ามาอยู่ในสถานที่แบบนี้ธรรมชาตินี่มันก็มันก็ช่วยได้เยอะแล้วไม่ต้องรู้มากเรียนมากแต่ถ้ารู้ข้อปฏิบัติ ง, ง่ายๆสั้นๆอย่างที่หลาพร่อเปียนสอนเนี่ยนะเห็นอย่าไปอยาอย่าเป็นนะ เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นหรือเห็นแต่อย่าเข้าไปเป็นเท่านี้แหละนะธรรมะมันพอสู ข, ขึ้นมาง่ายๆนี่ถ้าถ้าจับหลักถูกปฏิบัติถูกมันก็ได้ผลไม่จะไปต้องเรียนมากรู้มากก็ได้นะ อยู่ในธรรมชาติก็ธรรมชาติก็ช่วยเพื่อให้เราได้เห็นตัวเราเองธรรมชาติในเมนกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นตัวเองอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์กตกใบไม้ที่ติใบไม้ที่ กลีบจับคั่วดอกไม้ที่ตูมบานแล้วก็ร่วงโรยคูกนี้มันคือคือธรรมะคือกระจกสอนใจเราได้ทั้งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา มองให้เป็นก็จะมีอาจารย์อยู่แวดล้อมเราตลอดเวลาทั้งเช้ากลางวันเยน็นค่ำโดยเฉพาะช่วงนี้ที่นี่นี่ก็เรียก ว, ว่าเป็นช่วงที่สงบผู้หลงหรู้สุกโตบนเขานี่ช่วงเนี้ย พุศจิทันวาแล้วก็ต้นมกรานี่เป็นช่วงที่สงบเหมาะการปฏิบัติมากในปีนี้ยิ่งดีขื้นไปใหญ่ไม่เคยหนาวแต่หนาวมันก็ดีเหมือนกันนะหนาวมากๆนี่มันก็เป็นโอกาสได้ดูใจของตัวเองดูใจที่มันมันวุ่นวายมันบนที่อากาศมันหนาว ได้เห็นใจตัวเองชัดมันสบายไปกิเลสมันมันซ่อนนะแต่พอลำบากนี่กิเลสมันมันโผล่มันชูคอมาเลยมันบนมันหนาวมันความนักสาบาลทาให้บนให้มีมันหนาวเหลือเกินเนี่ยกิเลสมันบนมันโผล่ไม่เราเห็น ปฏิบัติไปถ้ามีถ้ากิเลสไม่โผลนี่มันบางทีไม่ไม่ฉลาด น, นะต้องเจออะไรยากๆเจออะไรลําบากเจออะไรที่มันยั่วยุท้าทายด้วยกิเลสมันโผมาไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโมโหไม่ว่าความอยากความสึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีให้มันโผลมาเราจะได้เห็นมันชัดๆ ถ้าไม่โผล่มานี่มันประมาดนะี่มันตายใจนะนึกว่าฉันปฏิบัติได้ไกลแล้วใ น, ในสัยพุทธการก็มีเรียกว่าเศษชิ้นนี่ก็เลยนะก็มีบริษับริวานเยอะ ชีวิตก็อยู่สบายจิตใจก็เลยสบายก็หลงคิดว่าตัวเองนี่ได้ได้ปฏิบัติธรรมดีแล้ววันหนึ่งก็โดนนางทาสีคนใช้เขาลองของลองทดสอบแกล้งทำเป็นนอนตื่นสายเพรานอนตื่นสายขางงานที่ตัวเองทำก็มันก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไปกระทบกับงานอื่น ไม่พอใจเศรษทีนี้ไม่พอใจเออะโวยวายดาเพื่อถ้อยคำอยากคายก็เลยได้เห็นแล้วโอ้นางทาสีก็เลยชี้ว่าเนี่ยที่สมบัตสงียญ่เรียบร้อย น, นี่ไม่ใช่เพราะว่าคุมคุมมารวมได้ไม่ใช่เปิะเผยเพราะฝึกฝึกจิตมาดีดแล่เป็นเพราะว่าทุกอย่างมัน มันลาบลื่นก็เลยใจสบายพอมีอะติดถัดไม่เป็นไปดังใจนี่มันมันออกมาเลยนะก็ได้เห็นตัวเองอนะไรเนี่ยถ้ามองเป็นก็เห็นตัวเองถ้ามองไม่เป็นก็จะไปเห็นคนอื่นแทนนะเวลามีอะไรมากระทบใจไม่ถูกใจถ้ามองเป็นเห็นตัวเองเห็นใจที่มันอารวาดโวยวาย แต่ถ้ามองไม่เป็นนะมันจะเห็นแต่คนอื่นจิตมันจะเพ่งออกไปคิดแต่กะดา่าที่แต่จัดการเขานะนะสังเกตไห ม, น, ม, น, ม, น, ม น, นี่มันเวลามียุงกัดมดกัดอ้าวถ้ากรนี้มันจิตมันจะไปเพ่งในที่ไอตัวมดตัวตัวยุงหรืออากาศหนาวเนจิตมันจะไปเพ่งออกที่อากาศ ยู่เพ่งไปที่แดดที่ร้อนมันไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจตัวเองแต่ถ้าดูเป็นก็เห็นใจตัวเองดูไม่เป็นก็เห็นสิ่งภายนอกนจนลืมตัวไปแล้วนั่นนี่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสุขที่นี่สมัยก่อนก็มันกับสุกโตยี่สิ กวปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคือคนไม่เคยมาคนน้อยน้อยแต่ว่าสงบสงัดมากสมัยก่อนอาจารย์บางท่านก็มามาปีวิเวกันที่นี่เช่นหลวงพจนลันพอถึงต้นหนาวพอ ถ, ถึงนี่ประมาณนี้กลางหนาวก็จะมาเก็บปีเวเก็บอารมณ์ ว่สุกโตแต่ก่อนคนไม่เยอะแต่ที่นี่มันก็ยังรักษารบรรยากาศคล้ายสุกโตได้เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงมันก็เป็นเป็นสนามฝึกให้ดูจิตได้ดีเหมือนกันอย่างที่พูดเมื่อวานไม่ว่าทางตรวจทาง ทางญาณก็มีคุณค่าเท่ากันสําหรับการทำให้เราได้เห็นใจตัวเองในที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่สงบที่วุ่นวายก็มีความหมายเท่ากันพราะมันทำให้เราได้เห็นใจตัวเองความโกรธกับความเมตตาก็มีค่าเหมือนกันเพราะสอนใจรัางเหมือนกัน ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องเลือกที่ล็อกมากที่ชังนบับปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเอาล่ะก็พูดนนกันท่านนี้กอบคุณกัน